ทำความสงบพอเวลาพูดก็ทําสมาธิให้เกิดขึ้นก็คือทําความสงบอย่างที่พวกเราได้ออกลมมาแล้วอย่างสุรที่ทำมาเนี่ยก็คือว่าหายใจเข้าพุทธออกโทนั่นแหละดีจะให้วาทำงานเล็กน้อย <c oughs> เพิ่มเติมที่ขาดที่มีอยู่แล้วก็ให้สมบูรณ์แบบที่ยังไม่เข้าใจก็อาจจะเข้าใจขึ้น <c oughs> เพิ่มเติมขึ้น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 อัโธาทาธาิสมันเตหิสกจังธมโมโสตโบติทำความสงบกันดีกว่านะก็การทำสามครรมสงบให้เกิดขึ้นนะในดวงจิตของเราเนี้ยที่ทุกคนต้องทำให้มีให้เกิดขึ้นให้ได้เพราะว่า สุขอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นความสุขประเดี๋ยวประดาวความสุขชั่วพักเชื่อคู่อย่างสมมติว่าเราได้วัตถุสิ่งของมาเนี่ยเราอาจจะชอบใจเราก็ไปสแสวงหามาเมื่อเรามีแล้วมันสามารถที่จะหมดหรือว่าอันตรธานหายไปได้ความสุขอันนั้นก็จะไม่ไม่มีอีกแล้วมันจะมีความทุกข์ เข้ามาแทนที่แต่ความสงบแห่งจิตนั้นเป็นความสุขที่หาสิ่งอื่นมาเปรียบเทียบไม่ได้เลยในวิธีการทำก็อย่างที่พวกเราได้เคยได้ยินนะครูบาอาจารย์ท่านก็จะให้กลอนอุบายวิธีต่างๆอุบายวิธีที่ทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วเกิดความสงบนั้นมีมาก แต่ที่พวกเราได้ยินกันบ่อยๆก็คือว่าให้บริกรรมพุทธโธหายช่หายใจเข้าพุทธออกโทก็ได้หรือนึกในใจพุทธโธพุทธโธก็ได้ถ้าไม่ถนัดนึกถึงธรรมโมธรรมโมก็ได้หรือผู้ที่ฝึกสัมมาอารหังมาก็ก็จับอารมณ์อนันต์ไว้หรือจะเป็นยุบหนอพองหนอ ยกหน้อย่างนอเหยียบน้อจับหน้อก็ได้หรือเป็นสมาธิหมุนนะก็เคยได้ยินที่โยมไปฝึกกันมานี่สมาธิหมุนก็ทำได้เพ่งกะสินก็ได้แต่มีโยมคนหนึ่งอยากฝึกก็เลยคุยกันเมื่อวานนี้ถ้าฝึกกะสินเนี่ยต้องมีครูบาอาจารย์ที่ท่านชำนาญจริงๆนยอยา่าไปฝึกคนเดียว การฝึกกสินเนี่ยมีสิบฤิลิศทำให้จิตเป็นสมาธิได้ง่ายแต่มันจะมีอิธทลิตทำให้คนเนี่ยหลงหรือวิคนจริตหรือวิป ร, รารชาเทื่อนได้เยอะอย่าฝึกเองมีเพ่งไฟมั่งเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งอากาศเพ่งสีขาวสีเขียวสีแดงเพ่ง ความว่างมันมีทั้งหมดหลายวิธีการการทำสมาธิแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกมาแล้วแล้วก็ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดแล้วก็สั่งสอนให้ทุกคนเนี่ยบริกรรมหายใจเข้าพุทธพอเวลาลมออกก็โธแล้วท่านก็บอกว่า ย้ำตรงหายใจออกคือโทโทโทโทโ ท, โ ท, โทเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยจิตมันจะออกจิตมันจะออกหมายความว่ามีช่องว่างนิดหน่อยหนึ่งจิตก็จะส่งไปนูนง่ายไปนี่ง่ายมันก็เลยทำให้เกิดสมาธิยากจิตใจเราก็เลยไม่ค่อยรับได้รับความสงบเท่าที่ควรอันนี้คือจุดตายของมันอีกอันนึ่งก็คือว่า เราไม่ได้ควบคุมอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยคิดอคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องสารพัดที่มันจะคิดการควบคุมเนี่ยมันก็เลยทําให้อ่าไม่สม่ําเสมอไม่ต่อเนื่องวันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงเรามาควบคุมอารมแค่ช่วงพักช่วคู่วันหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงแต่นอกนั้นเนี่ย ไปไปตามกระแสของมันเนี่ยมันก็จะไปใส่ฟ้าอารมณ์นักชอบเกียดชังถ้าเกิดอารมณ์ที่รักเราก็เคิมไปกับมันที่หลงเราก็อยากจะให้มีให้เกิดให้อยู่อย่างนั้นแต่บางทีไปเกิดเกิดไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบกันมาเนี่ยมันก็เกิดาการขุนมัวเศ้ามอง มันจะหวั่นไหวทั้งสองอารมณ์เนี้ยมันไม่คงที่มันก็ทำให้เราเนี่ยก็เพื่มนจิตใจกับเพื่มอยู่เสมออันนั้นมันก็ทำความสงบให้เกิดขึ้นยากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งต้องควบคุมมันนะถ้ามันส่งออกไปเราก็อบรมมันดูว่าคิดมากี่เดือนกี่ปีแล้ว คิดแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรไหมอันนี้คือเราต้องอบรมตัวเองเนี่ยตอนนี้เราจะทำความสงบให้เกิดขึ้ น, นตัดกระแสตนั้นออกอย่าสายแสไปในอารมณ์ต่างๆส่วนใหญ่มันจะไปเกาะอยู่กับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเป็นหลักเท่าที่สังเกตดูเราก็ต้องอบรมมั น, นอบรมมันมันไม่ชอบอะไร ต้องอบรมมันเสมออย่าปล่อยให้มันไปคิดถ้าเกิดว่ามันไปเกาะอยู่อารมณ์ตัวนั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนสนิมสนิมที่มันขึ้นกับเหล็กหรือมันเกาะเหล็กเนี่ยมันจะลามมันจะลามมันจะกัดเหล็กดีๆนี่กลอนไปหมดอารมณ์ที่มากระทบกูเหมือนกันถ้าเกิดมันเกลียดอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะลามไปหมด แล้วมันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยกลับมาดีดังเดิมยากที่ท่านบอกว่าเหมือนไฟไฟมันไปนสมขอนเลื่อเลี่ยตอเนี่ยแม้ไฟดับแล้วเนี่ยตอมันก็ยังดำอยูะจิตอะไรก็จิตั้งเราก็เหมือนกันถ้าเราไปทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตมันก็จะดำดำไม่ผองใสได้ง่ายเพราะฉะนั้นต้องควบคุม ควบคุมด้วยอะไระก็คือคาปริกรรมคุตโธธรรมโมสังโฆได้หมดกิริยาของการกระทาท่าที่สวยที่สุดมีสองท่าคือเดินจงกรมกับนั่งสมาธินี่คือท่าที่สวยมองแล้วงามทางเดินจงกรมที่ครูบาอาจารย์ท่านนิยมให้ทำนี่เดินตามตะวันออก ความยาวของทางที่ใช้กันอยู่เนี่ยประมาณสามสิบสองเก้าให้เป็นอุบายการเดินกลับไปกลับมาจะเก้ายาวเก้าสั้นก็อุบายของใครของมันถ้ายาวมากเกินไปมันก็ทำให้ใจลอยได้สั้นเกินไปมันก็ทำให้มึนหัวได้อันนี้ มันแล้วแต่ว่าบุคคลนั้นต้องการยาวสั้นขนาดไหนขาขวาออกพุทธซ้ายโธพุทโทพุทโทไปรอบหนึ่งก่อนแล้วก็กลับมาธมโมธมโมแล้วกลับไปอีกรอบหนึ่งสังโคสังโคพุทธโธธโมสังโสักสามรอบแล้วก็เอาพุทโทอย่างเดียวเดินเมื่อยเราก็เปลี่ยน เปลี่ยนกิริยาบทมาเป็นนั่งการนั่งก็คือว่าเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดารงสติตั้งมั่นแล้วก็ลึกถึงหายใจเข้าพุทออกโธพุทโทเพียงแต่เปลี่ยนกิริยาบทคือสองท่าเนี่ยสวยดูแล้ว ง, งามแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยจิตเนี่ย เป็นสมาธิได้ทุกปิยบทไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนถ้าเรามีสติควบคุมระลึกถึงอยู่เสมอเนี่ยกับอารมณ์ที่เราจดจ่ออยู่ะกับคำบริกรรมนั่นแหละหรือว่าเราทํางานเรานั่งอยู่เฉยเราก็บริกรรมไปด้วยนะจิตเป็นสมาธิไม่ว่าจะกวาดบ้านนะถูบ้าน เดินไปเดินมาทำงานถ้าจิตเราจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมแล้วลมสมาธิเหล่านั้นนยมันจะเกิดขึ้นจริงๆนะจริงๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราทำต่อเนื่องหรือสม่ำเสมอแต่มีโยมถามบ่อยมากถ้าเราทำงานแล้วเนี่ยหน้าที่การงานของเราเนี่ยกับคำบริกรรมเนี่ย งานของเราที่ทำอยู่มันไม่ผิดหอ่อเราจะบอกเขาเลยว่าถ้าเกิดว่าเราทำงานแล้วอยู่กับคำบริกรรมงานนั้นจะละเอียดมากงานจะไม่ผิดเลยแล้วทำลงไปแล้วเนี่ยมันจะรู้ล่วงหน้าเลยว่าเมื่อทำลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีข้อผิดพลาดไหมมันเป็นอย่างเนี้จริงจริงเนี่ยถ้าเกิดว่า เราทำงานไปแล้วก็บริกรรมไปจนจิตเป็นสมาที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะรู้ลวกหน้าได้เลยว่างานสิเนี้ยข้อผิดพลาดมันอยู่ตรงไหนเนี่ยขอให้เราทำให้สม่ำเสมอเป็นอย่างนั้นเอา้าในเมื่อเราไม่มีโอกาสจังหวะที่เราจะทำได้ทุกเวลาก่อนนอนเนี่ยก่อนนอน ทำหน้าที่ทำธุระปะปางกินข้าวกินปลาอาบน้ำพระปิดบ้านปิดช่องให้เรียบร้อยก่อนจะหลับจะนอนเนี่ยเข้าห้องพระกราบพระไหวพะะระทวัดเยน็นสักหน่อยหนึ่งแล้วก็นั่งสักห้านาทีสิบนาทีในห้องพระแต่ขอให้ทำสม่ำเสมอต่อเนื่องมันเกิดผลแน่นอน ถ้าเราทำต่อเนื่องไม่ขาดวักขาดตอนขอให้ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นงานทางโลกหรืองานทางธรรมถ้าเราทาทาหยุดหยุดงานนั้นไม่สาเร็จได้ง่ายไม่สาเร็จประโยชน์ได้ง่ายมันต้องทําด้วยความความอะไรความเพียรจริงๆแล้วก็ทําต่อเนื่องจริงงานนั้นจะสาเร็จทำมั่งไม่ทำมั่งทำสักเสีย เดี๋ยแต่ว่าสักวะทำเนี่ยขอให้มันผ่า น, านไปไม่ได้พิจารณาไต่ตองเลยอันนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์นี่อต้องทำต่อเนื่องเมื่อทำแล้วมันต้องเกิดประโยชน์เกิดผลเห็นผลนรับประกันได้แล้วอีกอันหนึ่งผู้ที่ทำแล้วอันหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นในระหว่างการกระทำสมาธินั้นเนี่ย เมื่อทำไปสักพักหนึ่งที่มีโยมถามมากที่สุดก็คือนิมิตนิมิตมันจะมีเสียงได้ยินเสียงบางครั้งก็เห็นภาพไม่ว่าจะเป็นภาพสีหรือจะเป็นรูปร่างเสียงหรือกลิ่นมันจะมีอยู่สามอย่างเนี้ย ที่คนถามมากที่สุดว่าคืออะไรแล้วจะให้ทำอย่างไรอันนี้มากตอบไม่ไหวเรื่องนี้จำไว้อย่างหนึ่งเดว่าการทำสมาธิเนี่ยเราต้องการให้จิตเนี่ยสงบร่มเย็นเป้าหมายมันอยู่ตรงนั้นนะให้จิตของเราเนี่ยเกิดความสงบให้ปัสจากนิวรธรรม ไม่เข้ามารบกวนนี่คือเป้าหมายมึงอยู่ตรงนั้นแหละอย่าทรงจิตไปรับรู้กับนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาพชอบใจหรือไม่ชอบใจจะเป็นภาพเทบุาเทวดานางฟ้าหรือบิญญาณหรือคนตายอยู่ตรงหน้าก็แล้วแต่เนี่ยเราอย่าออกไป สำคัญว่ารู้เห็นอยากรู้อยากเห็นเสียงเสียงชอบใจหรือไม่ชอบใจเราก็ต้องส่งตามออกไปกิ น, นกิ่นหอมกลิ่นเหม็นกินอะไรต่างๆที่เราได้สัมผัสตอนที่เราทำสมาธิหรือว่านั่งสมาธิเนี่ยอย่าส่งกิจออกไปรับรู้สิ่งต่างๆพวกนี้มันทำให้กิจเราเนี่ยคุณมัวเหมองอะจริงๆ พราะในระหว่างที่ทําใหม่ๆเนี่ยเมื่อจิตสงบไปไปสักเล็กน้อยแล้วเนี่ยมันจะเกิดสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นปกติเป็นปกติทุกคนถ้าจิตเป็นสมาธิจริงๆอ่ะค่อนข้างที่จะได้เจอแล้วก็ได้สัมผัสสิ่งนี้แต่เราไม่ต้องไปทําความสนใจกับมันเรามีหน้าที่อย่างเดียวกับคําบริกรรมที่เราทําอยู่นะให้ระลึกตรงนั้นไว้ เพราะว่ามันเป็นด่านแรกด่านแรกด่านแรกทนั้นแหละพอจิตเริ่มสงบเล็กน้อยเนี่ยมันจะเจอสิ่งนี้พอเราอยากรู้สงสัยเตะใจลืมตาไม่มีอะไรเท่ากับเราเนี่ยเริ่มต้นตั้งหนึ่งอยู่เสมอมันเลยไม่ก้าวหน้ามาเริ่มต้นที่หนึ่งมันไม่สองสามสี่ห้าไป มันก็เริ่มต้นถอยหลังอีกแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราอยากรู้สิ่งนั้นจริงๆให้วิตกในจิตวิตกในจิตว่านี่คืออะไรแต่อย่าอยากทำความอยากรู้นยไม่ต้องไปรู้วิตกทิ้งแล้วก็ทำบริกรรมต่อไปคำบริกรรมที่เราทำเมื่อสักครู่นี้เราใช้คำบริกรรมแบบไหน เราเอาเอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยจับให้มั่นนยจับให้มั่นอยู่อย่างนั้นเนี่ยพุโทโธพุโทโธก็อยู่อย่างนั้นเลยถ้าทำโมก็ทำโมต่อไปไม่ต้องไปรู้นะถ้าเราอยากรู้เนี่ยความอยากตัวเนี้ยบางครั้งนะมันจะเกิดไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยเขาเรียกว่าจิตหลอกจิต จิตลอกจิตมันไปปรุงอยู่เสมอพอมีความสงบเล็กน้อยมันจะผุดขึ้นมาเลยผุดขึ้นมาหลอกตัวเองตัวเนี้ยแล้วทำให้สติเนี่ยวิปราชคาดเคลื่อนมีพระองค์หนึ่งหมู่เพื่อนกันนี่แหละกำลังล้างห้องน้ำตอนเย็นล้างห้องน้ำา เสร็จแล้วก็เอ๊หมู่เพื่อนหายไปไหนสักพัดหนึ่งโยมเนียโยมเห็นเห็นพระเนี่ยวิ่งอยู่นอกวัดไม่มีสบงอังสาก็ไม่มีเหลือต้อคดอยู่อันเดียวโยมไปทุระเห็นว่าเอานี่พระที่วัดเรานี่นะก็เลยนำมาส่งที่วัดพอมาส่งที่วัดล้วก็เอาสบง องสาให้ใส่ได้สติคืนมาก็เลยถามว่าไปทำอะไรมาท่านบอกว่าตอนขัดห้องน้ำตอนเย็นทำควัดอยู่เนี้ยได้ยินเสียงว่าไปเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่ไปจะค่ายตายเดี๋ยวนี้เกิดความกลัวขึ้นมาวิ่ง วิ่งไปไหนไม่รู้เลยออกนอกวัดไปก็ไม่รู้นอกวัดวิ่งไปจนไม่มีเสบงเนี่ยอังสะที่ใส่อยู่ก็หลุดหายไปไหนไม่รู้มีแต่รัตคดมัดเอวอยู่ตัวเดียวอะโยมลอคิดดูแล้วโยมวัดแต่ไปเห็นก็ใส่บาตรทุกวันก็เอ๊ะนี่พระที่วัดเรานี่นะก็เลยพามาส่งดีเขาไม่ว่าค น, นคนบ้านะโยมไม่มีเสบงไม่มีอังสะคิดดู رض رض แล้วก็ถามเขาก็ว่าอิทธิว่าเมื่อกี้เนี่ย มันมีเสียงบอกไปไม่ไปจะค่ายตายนะรีบไปตัวนี้วิ่งใหญ่เลยตัวนี้เห็นไหมแล้วลมันมีที่ไหนมันก็ไม่มีนะมันไม่จะเสียงแล้วทำไมตอนมันไปยเป็นตอนขัดห้องน้ำในระหว่างที่เราทำสมาธิกันอยู่เนี้ยบางครั้งอ่ะจิดนะมันสงบสงบ แต่พวกเราเนี่ยไม่ละเอียดพอไม่ละเอียดพอว่าจิตเป็นสมาธิแล้วมันก็เผลอเลยเมื่อเผลอปุ๊บเนี่ยมันจะมีอารมณ์แบบนี้เข้ามาสัมผัสบางครั้งมันไปอยู่กับคลื่นนะคลื่นของวิญญาณเนี่ยคลื่นมันเหมือนคลื่นวิทยุอย่างเงี้ยจิตเราเนี่ยนคนที่ฝึกฝึกมาดีเนี่ยป ร, รับระดับจิตได้ อยากรู้ช่องไหนอยากจะสัมผัสอะไรเนี่ยแต่ถ้าในระหว่างที่เรายัางไม่เรียดพอเนี่ยอย่าเพิ่งมีหน้าที่อย่างเดียวทำให้เกิดความสงบให้ได้ทำให้ชำนาญแล้วรู้วิธีการเข้าออกอย่างเราจะเลิกอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งรีบเลิกไปค่อยคายค่อยคายออก ไม่ว่าพวกเขามื่จะปวดหรือเมื่อเมื่อจะง่วงอะไรก็แต่ถ้าเราจะคิดจะเลิกจริงๆเนี่ยค่อยๆขยับค่อยๆเยื่อนอย่าพวดพลาดเนี่ลยลืมตามค่อยๆลืมตาค่อยๆคลายมื อ, ค, ค, อคลายขาค่อยๆคลายค่อยๆเข้าค่อยๆออกฝึกอย่างเงี้ยจนให้ชํานานนะให้ชํานานอย่าเพิ่งรีบเลิกถ้าเราจะเลิกอย่างที่ว่าเนี่ย เมื่อเราทําแล้วความสงบมันเกิดขึ้นแบบไหนให้จําตัวนั้นไว้จําวิ ธ, ธีการตัวนั้นไว้แล้วเราก็จับอารมณ์ตรงนั้นไว้อยู่เสมอเสมอว่าเราทําแบบนี้นั่งแบบนี้ยืนแบบนี้เดินยโยกมแบบนี้จิตเราเป็นสมาธิรักษาอาการอารมณ์จับตัวนั้นไว้ก่อนฝึกแค่นี้เนี่ยทาให้มันชานานเขาเรียกว่าวัดสี เนี่ยตัวนี้วะสีทำให้มันชำนาญเมื่อมนชำนาญแล้วเราต้องการความสงบเวลาไหนหรือกิริยาแบบไหนเนี่ยให้มันได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งหรือนอนเราต้องการให้จิตให้เป็นสมาธิได้ทุกกิริยาพอมันชำนาญแล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าเก่ง ตัวน เ, เนี้ยเก่งเนี่ยเมื่อชำนาญแล้วเราก็ยกธรรมะขึ้นมาสักข้อหนึ่งเหมือนอย่างเรานั่งฟังเทศครูบาจารย์อย่างเงี้ยเทศกับตัวเองเล ย, เยจะเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องนรกสวรรค์อะไรก็แล้วแต่นี่คือวิธีการใช้ปัญญาฝึกใช้ปัญญา ฝึกเดินปัญญาเทศให้ตัวเองฟังเมื่อเทศไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็ให้รวมลงในอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวเนี้ยทำแบบนี้ให้สลับกันไปทำเรื่อ ย, เ, อยเมื่อเราทำแบบนี้จนจิตมันชำนาญแล้วเนี่ย สมาธิสมาธิมันมีอยู่แล้วมันชำนาญแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเราฝึกเดินปัญญาเมื่อปัญญาเนี่ยมีสมาธิหนุนเนี่ยมันจะเข้าใจแจ่มแจ้งการใช้ปัญญาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันใช้กันมากอยู่แล้วไม่ว่าคนทามาหากินอะไรเขาต้องใช้ปัญญาแต่สมาธิเนี่ยมันทำให้เกิดเนี่ยมันน้อยมาก ถ้าเกิดในกรณีว่ามันใช้ปัญญามากเกินไปสมาธิน้อยเขาเรียกว่าฟุ้งร่านเมื่อฟุ้งร่านเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันทำความสงบยากเพราะอะไรเขาเรียกว่าคิดไม่หยุดแล้วทำไมจึงให้ชํานานในการทาสมาธิคือเราอยากหยุดหยุดได้มันจะหนุนซึ่งกันและกัน สมาธิกับปัญญาเนี่ยฝึกซ้อมถ้าเรายกอารมณ์กรรมฐานมามาพิจารณาคือเทศสดเหมือนเทศสดนั่นแหละยกกายของเราขึ้นมาเนี่ยกายมอะไรคือกายเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประกอบกันเข้าเรียกว่ากายธาตุสี่มีอะไรมั่งเนี่ยดิน ของที่แข็งแข็งในร่างกายอ่ยสมมติขึ้นมาว่าเป็นดินผมขนเล็บผนนังนี่คือธาตุดินกระดูกเนื้อเอ็นตับไตไส้ปอดเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุดินสมมติขึ้นมาอย่างนี้ธาตุมก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมพัดขึ้นบั่งสูง ลมพัดลงเบื้องต่ำลมในช่องท้องลมพัดไปตามตัวนี่คือธาตุลมธาตุน้ำก็คือน้ำอะไรน้ำสะเจน้ำหมูดน้ำขุดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ามันเหลวธาตุน้ำธาตุไฟธาตุไฟเผาอาหารให้ย่อยไฟ เขาให้กระวนกระวายให้ความอบอุ่นในร่างกายเนี่ยสมมติกันขึ้นมาอย่างนี้เถอะก่อนในท่าทั้งสีเนี่ยท่าท่ใดท่าหนึ่งบกพร่องหรือมากเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเก็บไข้ได้ป่วยได้เนี่ยท่าเ่าเนี่ยสักแต่ว่าท่าอย่างนี้ก็ได้หรือจะพิจารณาในเรื่องมันเป็นอสุภะ เป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สวยไม่งามเราลองจินตนาการขึ้นมาเทศอบรมตัวตัวเราเองนี่แหละอย่างผมเนี่ยอะผมเนี่ยของเราเนี่ยเราว่างามเลยเกินนะงามสวยดีถ้าคนมีผมแล้วดีเราลองตัดผมเรามาสกกักจุกผมเราเองนี่แหละแล้วเอาไปหว่านลงในที่นอนของเราด้วยหว่านลงลูสศรกรรมนึงด้ เราจะนอนทับได้ไหมอลองดูแต่เราว่านอนไม่ได้แน่นอนมเมื่อนอนไม่ได้แล้วเนี่ยแสดงว่ามันไม่งา ม, มเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราพิจารณาแบบนี้จนจิตเนี่ยเรายอมรับความเป็นจริงนะมันจะคลายจากทุกข์เห็นทุกข์ ผมขดเล็บฟันหนังเราเนี่ยอย่างที่ว่านี่เนี่ยแม้แต่ฟันของเราเองเนี่ยจะไปขัดสีชีวันมันยังไงก็แล้วแต่จะเ อ, เอาทองคำไปเลื่อมมันก็แล้วแต่ไอข้างในก็เป็นฟันนั่นแหละแม้แต่เอาทองคำไปหุ้มห่อแล้วเนี่ยถ้ามันหลุดลงมาเนี่ยเราลองเอาฟันของเราเนี่ยไปใส่ชามข้าวเราดูีิว่าปรุงมาอย่างดีเลยอาหารการกินของเราเนี่ยเอาฟันของเราเนี่ย ฟันที่เรื่มท้องนั่นแหละลองเอาไปใส่ในชามข้าวของเราเองฟันเราเองด้วยมันจะกินได้ไหมทีเนี้ยเห็นไหมมันจะเกิดอาการอะไรอะมันก็จะเกิดอาการสอิดสเอียนก็แสดงว่ามันไม่สวยไม่งามนี่คือการพิจารณาร่างกายของเร า, าไม่สวยไม่งามเพื่อเป็นอสุภกรรมฐานถ้าเกิดเราพิจารณาแบบเนี้ยในวัยวะน้อยใหญ่ จนจิตเราเนี่ยมันไม่หวั่นไหวหรือว่าเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะทําให้จิตเนี่ยคลายทุกข์แล้วก็เบาได้จริงๆถ้าเกิดว่าสมาธิเรายังอ่อนพิจารณาไงก็ไม่เห็นเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าผู้มีบุญอ่าผู้มีบุญอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยออืไปเห็นอะไรเห็นคนแก่ ท่านก็เอะใจแล้วนะคนมีบุญเนะ่ะไปเห็นคนเจ็บก็เอะใจขึ้นมาอีกไปเห็นคนตายก็เกิดปัญญาเข้ามาอีกไปเห็นนักบวชที่ว่าเทวทูตสี่ผู้มีปัญญาเห็นไหมไปเห็นเพศนักบวชนี่เออดูเพศนักบวชนี่มันเกิดมันสงบดีดูแล้วน่าเริ่มใสจริงๆ เพศนี้น่าจะทําให้สิ้นทุกได้เห็นไหมผู้มีปัญญาแล้วพวกเราเนี่ยเห็นสภาวะอย่างเนี้ยมากันเท่าไหร่แล้วแล้วปัญญาของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาบ้างไหมอเนี่ยแสดงว่าพื้นฐานของเราเนี่ยมันยังไม่แก่กล้าพอมันก็เลยต้อง อบลมบ่มอินซีเนี่ยไปทีเล็กเทียน้อยก็คือบุญอะไรที่เราทำได้ท่านเนี่ยทานบ้างศีลบ้างเลี้ยงดูบิดามารดาดูแลบุตรภรรยาสามีสองขาอยากอย่างที่ว่ากันไปเนี่ยขอให้ทำสม่ำเสมอตามเพศที่เป็นอยู่ทำให้ถูกเลยถ้าเราทำถูกตามเพศที่พระเจ้าท่าน วางรักฐานไว้ให้เนี่ยมันเป็นทางเดินของอริยะจริงๆเนี่ยเดินไปแบบนี้แหละขอให้สม่ำเสมอวันใดวันหนึ่งมันไม่แน่นะอาจจะเจอช่องทางสิ้นทุกข์ทั้งมวลได้เนี่ยเราอยู่กับโลกมันก็มีความสุขตามอัตภาพแต่ทางความสุขทางโลกเนี่ย เขาเรียกว่าสุขประเดี๋ยวประดาวอเท่านั้นแหละมันไม่คงทนถาวรสุขชั่วพักชั่วคู่ชักพักหนยมันก็ถูกแล้วอย่างที่พวกเราเห็นกันอยู่เนี่ยเราอยากได้อะไรเราก็แสวงหามาพักเดียวไอ้ของใหม่ๆกลายเป็นของเก่าไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ า, าอ่อไม่ว่าจะเป็น แหวนไม่ว่าเป็นสร้อยต่างหูอะไรแล้วแต่แล้วที่เจอบ่อยที่สุดอ่าต่างหูทองสร้อยทองแหวเนเพชรสร้อยเพชรบางคนซื้อไว้ให้ลูกเนี่ยเออลูกมีลูกหญิงก็ซื้อไว้ให้มันพอมันเป็นหนุ่มเป็นสาวมาเนี่ยไอเราก็แก่ลงไปแล้วพ่อแม่ก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาให้ลูกลูกก็ไม่เอานะ ทั้งๆที่มันก็สวยอยู่นั่นแหละแต่พอถึงยุคของมันแล้วเนี่ยตกกระป๋องไม่งามแล้วนั่นเห็นไหมมันหมดยุคของมันมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละมันก็คืออะไรอะ่ะมันไม่ไม่สมปันานาหรอกนีมันก็เลยมีการดิ้นรนสแสวงหาใหม่อยู่ร่ำไปบ้านก็เหมือนกัน บ้านไปดูมาสร้างใหม่บ้านหลังเนี้ยนะสวยเชียวราคาก็พอซื้อได้พักเดียวอะซื้อได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็เก่าแล้วสีก็เทามองพักหนึ่งนกพิราบก็มาอยู่แล้วมันก็ขี้ใส่เข้าไปอีกพักเดียวถาวรก็พันเต็มไป ห, หมดแล้วถ้าเราไม่ดูแลรักษาเห็นไหมจ้างคนมาทําความสะอาดจ้างคนมาล้างจ้างคนมาถูมันไม่มีอะไรคงทนถาวร นะตามที่เราต้องการได้มันมีความแปรปรวนอยู่เสมอพักเดียวก็ลังคารั่วเนะี่ยมันเป็นอย่างงั้นปลูกต้นไม้ไว้แต่ไม้ก็โตใหญ่มากมันก็กิ่งใส้ลังคาบ้างแตกวุ่นวายแล้วมันจะอยู่อย่างงี้ตลอดนะี่มันก็รวมย่นลงมาหาร่างกายของเราที่ว่านี่แหละเนี่ยไอ้ที่ว่าของเราของเราเนี่ยเราห้ามให้มันไม่แก่ได้ไหม มันก็ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้มันเจ็บสิมึงอย่าเจ็บนะออย่าเป็นไข้เป็นโรคเป็นภัยนะมันก็ห้ามไม่ได้เห็นไหมที่ว่าร่างกายเราเนี่ยหัวงเห็นกับนักกหนานี่แหละปกะกอบปงงบมาอยู่เนี่ยถ้ามันบังคับได้เนี่ยโรงพยาบาลหมอเนี่ยขายไม่ได้เจ๊งหมดเนีลยหมอไม่ต้องไปเรียนนะนั่นแหละเห็นไหม ที่เราไปหาหมอทุกวันทุกวันวนั้งกินอยู่กินยาเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการถ้าเกิดว่าเราคิดพิจารณาแบบนี้บ่อยๆมันจะเกิดปัญญานะ่จริงๆไม่ประมาทในร่างกายของเราที่มีอยู่เนี่ยเราก็ชักชวนนะเอาร่างกายของเราที่มีอยู่เนี่ยเอาไปสร้างคุณงามความดีกันอย่าไปฆ่าตัดตัดชีวิตอย่าไปประพฤติผิดในกามอย่าพาม ร, รักแต่ขมยน้อย เขาเนี่ยเพราะว่าในโอกาสที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ง่ายจริงๆนะบอกให้เลยว่ายากมากเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยร่างกายาวิวัฒนากรของเราจะสมบูรณ์แบบตาดีหูติหูดีอ่าหูไม่ตึงนะไม่ใบไม่บอดแขนขาไม่กุดนะถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคจริงๆแล้วไม่ใช่เกิดง่ายในช่องทางที่จะเกิดในมนุษย์เนี่ย มีครูบาจารย์องค์หนึ่งไปนั่งภาวนาอยู่ท้ายหมู่บ้านคือพระกัมพันเนี่ยจะไม่เข้าไปนอนในบ้านคนอยู่ห่างๆเช้าถึงจะเข้าไปบิถาบาต ท, ท่านก็นั่งภาวนาอยู่พอนั่งภาวนาเสร็จแล้วสักพักหนึ่งเกิดนิมิตเนี่ยเกิดนิมิตมีชายกลุ่มหนึ่งวิญญาณเดินผ่านกฎ ถามว่าจะไปไหนกั น, นะจะเข้าไปในหมู่บ้านนี้สักหน่อยผู้ชายทั้งนั้นเลยนะ9คนใส่เสื้อสีนั้นลายนั้นสีนี่ลายนี่นะท่านก็เอะใจนะจะเข้าไปในหมู่บ้านนะเข้าไปทำอะไรเอะใจว่าวิญญาณเหล่านี้น่าจะเข้าไปเกิดแน่ท่านว่าอย่างนั้นสงสัยขึ้นมาตอนเช้า ท่านก็เข้าไปอิทธาบาทแล้วถามคนในบ้านเนี้ยในบ้านเนี้ยมีหมูคลอดลูกสักตัวหนึ่งไหมเขาบอกมีเป็นตัวผู้ล้วนไหมเขาบอกว่าหลวงพ่อรู้ได้ยังไงเห็นไหแล้วเป็นตัวผู้ล้วนล้วนเลยจริงๆเก้าตัวแต่และตัวมีสีแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมเขาบอกใช่ เห็นไหมเนี่ยเก้าคนนะวิญญาณเก้าคนนะไปเข้าท้องหมูอ่ะไม่ใช่ง่ายเลยมีอีกครูบาอาจารย์นี่เนี่ยก็ไปภาวนาที่ชายป่าเนี่ยมีวิญญาณคนหนึ่งตัวหนึ่งนละพอมาเห็นพระก็เข้ามากราบก็ถามมายมจะไปไหนผมจะไปเกิดแล้ว จะไปเกิดในที่ไหนเนี่ยในบูบ้านนี้เข้าไปสิหลวงพ่อก็บอกว่าในบู่บ้านเนี้ยมีแต่คนดีใจบนสุนทานนะเข้าไปเกิดอยู่กับเขาพอเข้าไปแล้วเสร็จแล้วหลายวันนะก็กลับมาบอกว่าเข้าไปแล้วไม่มีที่จะเกิดอืเข้าวบ้านไหนก็ไม่มีที่เกิดเสร็จแล้วมาอีกออื มาอีกก็ประกาศหลวงพ่ออีกมาดูอีกทีหนึง่งกว่าจะไปเกิดแล้วยากเกิดเพราะว่าเป็นในโลกวุญญาณมีทุกข์มากนะโยมเด็กคิดว่าวิญญาณีัยสบายเนี่ยอดอยากเพราะบุญไม่ได้ทำไว้เขาบอกวอ่าอดอยากยหิวโหยมากเสร็จแล้วเข้าไปอีกครั้งหนึง่งก็กลับข้ามาหาหลวงพ่อบอกหลวงพ่อครับ ผมได้ที่เกิดได้แม่แล้วเหรอเอออันวมทนาบุญเนี่นะแล้วแม่เป็นใครอ่ะแม่เป็นควายโอ้ดีใจเนะไปเกิดเป็นควายขอได้เกิดเพราะโลกุญญาเนี่ยมันทรมานมากพอเข้าไปเกิดเข้าไอท้องแม่เออพระอาจารย์องค์นี้ก็บอกว่าเออคนเราไม่ใช่จะเกิดง่ายเล ย, เ, ยเสร็จแล้วไปเข้าท้องแม่แม่เป็นควาย ไม่นานกลับมาอีกแล้วเ อ, อ้ากลับมาทำไมอ่ะพอเข้าท้องแม่ได้ไปนานเขาเอาแม่ไปฆ่า อ, อ่อเห็นไหมเราลองลือกดูทีใช่ว่ายินดีในท้องฝ่ายที่จะไปเกิดนะยังไม่ได้เกิดนี่กลับออกมาอีกแล้วเนี่ยใครบอกว่าเกิดไม่ง่ายไม่ใช่ง่ายนะนี่จากประสบการณ์ของกรูบาอาจารย์ที่ท่านสัมผัสมามันเป็นอย่างเนี้ยจริงๆ การเกิดเนี่ยไม่ใช่ง่ายที่เราคิดเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยที่เกิดมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบแล้วได้เจอพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็มีพระมาะให้พวกเราทําบุญสุนทานมาสมาทานเบญจศีนนท์เข้าวัดฟังธรรมถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคไม่ใช่เป็นคนหลงมีจุดหมายไปทางอเป็นที่ไป เพราะฉะนั้นแล้วการทำจิตให้เป็นสมาธิมีความสงบร่มเย็นบ่อยๆมันจะเป็นหนทางให้เราเนี่ยไปสู่มรรคผลที่ผ่านนะจริงๆถ้าจิตใจของเรามีสมาธิแนบแน่นดูจากเข้าจากออกแล้วรักษาอารมณ์ตรงนั้นไว้ให้สม่ำเสมอทำให้ทานานจนเกิดวสีแล้วก็ยกนยธรรมะขึ้นมาพิจารณาไรตองจิต ของเราเนี่ยมันก็จะมั่นคงไม่หวั่นไหวศีนเรามีแล้วสีลห้าสีนแปดตามอัถภาพที่เราตั้งใจจะงดเว้นเนี่ยเมื่อเราทำสม่าเสมอแบบนี้ไม่ขาดวัดขาดตอนความเจริญของกิจก็จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ไปทำความทั่วช้าลามกผิดศีลผิดธรรมให้มันเกิด แต่ถ้าเกิดจิตเป็นสมาธิจริงๆแล้วเนี่ยความทั่วจะไม่คิดเลยล่ะแล้วก็จะไม่ทำมันเป็นเองโดยธรรมชาติของมันก็ขอให้ทุกคนเนี่ยทำความสรรม่าเสม อ, องี้ไว้ให้คงที่นะความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นก็เอาแค่นี้ก่อนเคยแล้วกันเนาะ เ, นเจตเอะเดี๋ยวก็ไม่ต้องทำงานมันเป็นอย่างนี้จริงโยก จริงๆแล้วมันมีเรื่องเยอะนะที่จะคุยกันเนี่ยเยอะเมื่อวันก่อนนี่ไปคุยที่บ้านอาลีต้องไล่ถึงเลิกนะ <c oughs> เพราะว่าธรรมะเนี่ยมันไม่ได้คุยวันเดียวจบมันมีอะไรที่ต้องศึกษากันเรื่อยๆนะเนี่ยเอาแค่นี้เนาะ ก็กราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์เชลีชวชนกุณโยเป็นอย่างสูงนะครับพระถิ่นจริงๆวันที่แปดวันลอยกระทงเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์จัดโยมที่ร่วมบุญกันเนี่ยติดงานตลอดงันคูบาอาจารย์ทุกเสาร์อาทิตย์เราก็เลยว่าเอาวันสุดท้ายก็แล้วกัน วันที่แปดแล้วเราก็มีพิเศษอันนึงบนดอยไม่มีแม่น้ำก็เลยว่าซื้อโคมไว้ให้โยมที่จะไปกันเนี่ยร้อยร้อยลูกเดี๋ยวไปลอยโคมบูชาพระธาตุถ้าใครได้ไปนะมีแขกที่ข้างในไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าไม่มีสนามบินสนินไม่มีแต่เชียงใหม่ไม่ได้น ะ, อ, ะองบินมันเยอะ เราก็จะลอยโคมบูชาวระธาตุที่บรรจุไว้บนยอดจะดีบ้างครับเนเจดีย์ีนความเป็นมาค่อนข้างยาวนานนะครับกว่าพระอาจารย์จะสร้างตรงนี้ขึ้นมาได้ก็23ปีอย่างน้อยร อ, ออยู่20ปีเจดีย์นี้นะดอยลูกนี้เดี๋ยวคุยสักนิดหนึ่งมีเวลาอยู่เนา ะ, ะเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนไปทุดดงเนี่ยในเวิร์เนี่ย ชาวบ้านเขาปลูปกฝิ่นปลูกฝิ่นเสร็จแล้วแต่นี้ครูบาอาจารย์เนี่ยลูกศิษย์ก็เป็นทหารตำรวจก็เลยมาคุยกันว่าอาจารย์อยู่ช่วยอบรมชาวบ้านให้เขาเลิกฝิ่นได้ไหมเราก็บอกว่าถ้าเกิดเขาเลิกฝิ่นแล้วเนี่ยพระมันต้องมีที่อยู่นะมันต้องมีวัดอ่าวนที่วนที่ให้อยู่ได้ไหม เพราะว่าในป่าเนี่ยมันจะมีเขตป่าอนุรักษ์ป่าสงวนป่าอุทยานเนาะสมัยนั้นชฉวริตยงเจยุทธเขาเป็นพบทธบยงรู้จักอยู่เนะาะเฉวริตศอะไรก็สุริศเนี่ยพวกเนี้ยแล้วก็บิ๊กจิ๋วบิ๊กจ็อดอะบิ๊กจ็อดแล้วก็เกษตรโรดเจนนนินเป็นพบบธ อ, อ, อก็เลยคุยกันถ้างั้นก็วนวนป่าเนี่ยให้พระสามารถที่จะสร้างวัดได้บ้าง นายุคนั้นก็เลยเอาตรงนั้นเป็นวัดตรงวัดป่าบ้านอุเซอร์สามทุ่งเอ่ะแล้วดอยตรงที่ทําเจดีเนี่ยเป็นไรฝินเขาปลูกฝิ่น่ะเมื่อก่อันป่าใหญ่มากเมื่อปลูกฝิ่นแล้วเราก็เลยขอเขาไว้ว่าขอไว้ทำวัดได้ไหมชาวบ้านเขาก็ให้แต่ความแปลกอันหนึ่งเกิดขึ้นพอเขาปลูกฝิ่นปลูกข้าวเลิกไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นยะคาขึ้นมาเราก็ไปทางอ่าน ไปทางทําทาเดีย๋ยวงกบเมื่อเส้นเลงแล้วเราก็นึกในใจอยากทํำจะดีขึ้นมาเลยนะในสมัยนั้นพรรษาที่เจ็ดทางยังไม่มีนะทางรถทางอะไรยังไม่มีแต่มันแปลกว่าอยากทําพรา อ, อยากทําแล้วเราก็เลยขอเขาขเขาก็ให้ <laughs> เขาบอกว่าพระอยู่องเดียวทำไมเอาที่เยอะจังเระวังนั้นนะ <laughs> อ, องค์เดียวเราก็บอกเออเอาไว้เดินเล่นบ้างก็แล้วกักวน รอมายี่สิบปีอ่าวิตกในระหว่างที่บอกเมื่อกี้เนี้ยวิตกขึ้นมาว่าข้าพเจ้าจะทำจดีตรงนี้จะเสร็จไหมอืมก็เดินจงกรมไปเดินไปเดินมาจิตก็บอกว่าถ้าทาตอนเนี้ยยังไม่เสร็จเราก็เดินแล้วก็วิตกถามขึ้นมาว่าเพราะเหตุอะไรจึงไม่เสร็จวิตกเนี่ยคืออยากอยากอยากรู้วิตกก็เฉยแล้วก็เดินจงกรมต่อ ภาคหนึ่งจิตก็บอกว่าคนที่ร่วมบา ร, รมีเนี่ยยังไม่พร้อมเราก็วปตกถามเขาไปอีกว่าเหตุที่ไม่พร้อมนคืออะไรจิตก็บอกว่าบางคนก็ยังไม่เกิดบางคนก็ยังอยู่ในท้องพอ่อท้องแม่บางคนทํางานก็ยังไม่สําเร็จในชีวิตนี่คือสาเหตุเรารอมา20ปีจนได้ไปอินเดียกับหลวงปู่ใหม่ปี2152เนี่ะ จากวันนั้นมาถึงไปอินเดียเนี่ย20ปีนะ20ปีจากปีปี5 2534เนี่ยประมาณเนี้ยที่เราเตรียมที่ไว้แล้วก็ท่าเสด็จมาเนี่ยปี2552เดือนพฤศจิกาได้ไปอินเดียกับหลวงปู่หม่ไป9วันไปอธิษฐานที่พารณสีอะ ใครไม่เคยไปอินเดียอยากไปก็นัดหน้าไปนะแล้วพระธาตเสด็จตามมาจริงๆนะสี่สิบเก้าองค์แล้วก็ทำเจดีองค์เนี้บรรจุพัะธาตุที่เสด็จมาแล้วเนี่ยบรรจุไ ป, ปแล้วครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่ศาลาจะฉลองสมโพธิรอรอให้เจดีเสร็จก่อนจะเอาไว้ในเสียนพระข้างในเนี่ยในเจดีจะมี พ, ะพระพุทธรูปองค์หนึ่งเนี่ยนี่โยมเนี่ยหลายคณะขึ้นไปก็จะไป ไปภาวนาที่จะดีเนี่ยกลับมาก็โชคดีมีชายเยอะนะใครติดขัดอะไรก็วันที่สิบเจ็ดสิบแปดธันวานเนี้ยจะมีการชักพระขึ้นชักพระขึ้นถ้าใครไม่ไปห้าธันวาก็ล็อกวันไว้พระที่ญาติโยมที่ทำบุญร่วมกันไว้มีหลายคนนะที่นั่งอยู่เนี่ยอนณตักอาสาสิบเก้านิ้วแก่จากอินเดียไอ้จากแกจากพม่าหินขาวอ่ะพระหินขาวสวยหน้าตักสาสิบเก้านิ้ว ทั้งหมดเลยหกสิบหกสิบสามองค์รวมแล้วประมาณเจ็ดสิบองค์ ấy, จะเอาไว้รอบๆจะดีตอนนี้อยู่วัดล่างวัดข้างล่างที่ครเคยไปแล้วจะเห็นอยู่ข้างล่าง ấy, ก็จะเอาขึ้นวันที่สิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดธันวาถ้าเราจะเอาขึ้นธันวาไม่ได้ชนลมุนกันเพราะมันเยอะคนเยอะของเนาะนี่คนที่เขาจะเอาขึ้นเนี่ยเขาก็เลยขอเลื่อนมาเป็นวันที่สิบเจ็ดสิบแปดก็แล้วกัน 15ธันวาปีนี้ท่านจันทินก็จะไปแจกของให้กับชาวบ้านเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้ไป2สองปีพกผิดเข้ามาเนี่ยมันก็จุยกระจายหมดเลยก็เ <c> ล <oughs> ยว่าจะเอาขึ้นไปประจุไว้รอบๆจะดีนะั้นอีกสักปีสองปีเนี่ยไม่เกินสองปีเนี่ยคือได้สมโพธจะดีนะเสร็จจริงๆสาเหตุที่ล่าช้าเนี่ยพวอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยฝนมันตกแล้วมันจะชื้นมากมัดอยมันจะแฉะ และอีกอย่างหนึ่งคือช่างไม่มีร้านค้าไม่มีเครื่นโทรศัพท์ทำกินเหล้าช่างมันก็เลยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีมันทําทําช้าไม่เหมือนข้างล่างวัดล่างที่ที่สามปีก็เสร็จเรียบร้อยสามปีเสร็จหมดนะไม่มีอะไรติดขัดเหลือแต่จะดีย์ของเราอย่างเดียวเนี่ยถ้าเกิดว่าใครว่างก็คือวันที่สิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดจะไปไปดึงขึ้นกัน งานชักพระชักพระจริงๆนะไม่ใช่ประเพณีนะเนี่ยชัก ด, ดึงขึ้นขึ้นจจดีอ่ะเจ็ดนสะิบองค์นะ่ะประมาณเจ็ดสิบองค์ไม่ใช่เบานะองค์หนึ่งตันหนึ่งนะองค์แล้วหนึ่งตันดึงขึ้นตามบันไดอ่ะนะถ้าใครจะไปแต่ก็ถินเนี่ยวันที่แปดวันลอยกระทงเลยก็ถิน่นขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับที่ได้เลาขอย่างันขอ ขอเนี่ยเรานบบทอากาศนะฮะจริงๆเรื่องยังคุยไม่หมดเรื่องเรื่องจิตที่ออกไปเนี่ยอยากคุยให้โยมฟังมันจะหมดหนะเวลาแล้วห้าทีนะจิตเป็นอย่างนี้โยมตอนที่ป่วยเนี่ยป่วยที่มาไม่ได้วันนั้นเนี่ยต้องขออภัยโยมอย่างยิ่งก็โทรมาหา ยมอิ๋วอยู่เหมือนกันมันจะแน่นนะที่ตอนที่ว่ามันแน่นจริงๆแน่นเราหายใจไม่ออกเนะี่ยในระหว่างที่รอรถนะรอรถที่จะมารับจัดวัดป่ามณีการเอยไปวัดป่ามณิการไนะ่ของอาจารย์นวยส่วนใหญ่จะพักที่นั่นรอรถมารับมันรู้สึกว่ามันมืด มันเริ่มมืดตื้อตื้อตื้อตื้อตื้เทามันเหมือนตะเกียง่ะมันจะดับมันจะดับพอเสร็จแล้วรถยังไม่มาก็เลยบอกให้ลูกศิษย์ก็คลองเราเดินไปที่ประตูพอรถมาแล้วเราก็จะได้ขึ้นรถเลยในระหว่างที่เดินไปกลางกุฏิจิต ด, ดับไปหนึ่งเที่ยวแล้วมันก็เข้ามาอีก พอไปถึงว่าโตปุ๊บตรงเนี้จิตออกไปเลยมันเหมือนกับดับวุบไปเงี้ยถามว่าจิตออกจากร่างตรงไหนมันไม่ได้บอกมันดับวุ้วมันก็ไปยืนอยู่ห่างประมาณสักหนึ่งวามีทะบงผืนหนึ่งแล้วก็อังสะมันก็ไปยืนจ้องกันอยนะนู่เนี้ยแต่แต่ไอ้ตัวเนี้ี่ยขอห้อยห้อยเลยนะ ถ้าไม่มีคนอุ้มไว้หมอภูมิคนเนี้ยถ้าไม่กอดไว้เนี่ยร่วงเลยแต่ว่าในระหว่างที่มันออกไปเนี่ยมันมีสองตัวแต่อีตัวที่ออกไปเนี่ยมันไม่ไม่เมื่อยไม่ร้อนไม่หนาวไม่อึดอัดหายใจสะดวกจิตก็บอกเออสบายดีไว้จิตได้ว่างนี่นะมันไม่ได้ห่วงว่าเราต้องกลับมาอีกนะไม่ใช่ไอตัวนั้นออกไปสบาย อมันไม่มีความกังวลเพราะไอ้ตัวเนี้ยที่มันคลองขันกันเนี่ยมันคลองกันอยู่เนี้ยมันมีความรับผิดชอบมันเลยความรู้สึกเวทนามันสัมผัสตัวเนี้ยมันเลยส่งไปหาจิตนั่นแหละจิตตัวบันทึกไว้อืเก็บปวดหิวร้อนเนี่ยก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวรับรับรู้แล้วมันก็ส่งไปหาจิตเป็นตัวบันทึกตัวรู้อีกทีอีกทีหนึงมันส่งไปหากันอ่าที่ว่าเวทนาอานิจจาสัญญาจะ ลูกไว้เทียงสัญญาไว้เที่ยงอะไรพวกนี้ยมันส่งไปหากันไอตัวนั้นมันทึกพอมันทึกเสร็จพวกนี้มันก็จะมันมันก็จะจําไว้มันก็ไปยืนสู้กันสักเดี๋ยวอึดใจใหญ่พอเข้ามาอีกทีมันเหมือนมีลมกระแทกมันเหมือนลมกระแทกตึ้งอย่างเงี้ยเลยนะอย่างแรงเลยมันจะเย็นมันเย็นไปเข้าคั่วใจเลยนะเย็นมากๆเลยอะเย็นแบบอืหมันเย็นบอกไว่าถูก มันเย็นเกียบเลยพอเย็นสักพักหนึ่งความรู้สึกเกิดขึ้นก็คือหนักเขนหนักขามันจะหนักอ่าหนักมากมากเลยแต่ที่เราอยู่เนี่ยมันชนินไม่รู้ว่าแข้งแข้งขานี่หนักถ้งนั้นไปถามคนแ ก, ก่คนในแ ก, ก่ที่ว่ายกไม่ขึ้นนลยมันจะหนักมากนะแต่ตอนที่มันเข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันจะหนักมากยกไม่ขึ้นเหมือนกัน โอ๊ยมันหนักมากจิตมันก็เลยวิตกขึ้นมาอีกวิตกขึ้นมาว่ากูต้องรับผิดชอบมันอีกแล้วหรือนี่เนี่ยคือเนี่ยตัวนี้เนี่ ย, ย, ยคือรับผิดชอบก็คืออะไรก็คือให้ข้าวให้น้ํา <c oughs> หาอยู่หายาอะไรมาเติมให้มันนั่นคือการรับผิดชอบแต่พวกเราเนี่ยถือว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นแต่จิตตอนนั้นน่ะมันเป็นการรับผิดชอบมันไม่ใช่จาเป็นแล้วเลย อมันรับผิดชอบถ้าติดออกไปแล้วเนี่ยมันจะไม่อ่ไม่รับผิดชอบแล้วมันสิ้นสุดจะเอาไปต้มไปแกงจะไปผัดไปเผ็ดอะไรก็ไปเถอะมันไม่ใส่ใจหรอกเพราะไอ้ตัวนั้นมันดีกว่าเพราะฉะนั้นต้องอบรมมันก่อนที่จิตจะออกไปที่ว่านี่อกบรมมันได้การปฏิบัติธรรมนี่แหละนะแล้วไม่ต้องกลัวว่ามีที่อยู่รออยู่ข้างหน้าจริงๆไม่ต้องกังวลแล้วไปเที่ยวมาอีกเมืองนึง นะนี่คือจิตเข้ามาครั้งครั้งครั้งที่สองนะครั้งแรกในที่ดอยครั้งแรกเลยจิตเนี่ยตอนจิตออกมาอออกใหม่ๆเนี่ยตอนสมัยพรรษาที่ห้าเนี่ยมันไปเข้าใจเลยว่ากายกับจิตเนี่ยถึงเวลาแล้วเนี่ยมันไม่เกาะกันนะจริงๆแต่เราเนี่ยเป็นผู้มาอาศัยอยู่ชั่วคราวแต่ตอนเนี้ใครด่าไม่ได้นะแหมมโหนะ่ <c oughs> นั่นแหละมันเลยเกิดเกิดบอแห่งโทษนะ บ่อแห่งบุญก็อยู่ร่างกายเนี่ยแหละกายวาจาใจของเราเนี่ยมันเป็นทั้งบุญทั้งดีทั้งชั่วอยู่ที่นี่เนี่มันอยู่ที่เราเนาะพาไปทางไหนอ่าเพราะฉะนั้นพาไปทําความดีซะก่อนเดี๋ยวถึงเวลากระทิ้งเมืนี่เนี่ยเอาดีไปแล้วเราไปเที่ยวเมืองสวรรค์น่ะมาจริงๆนี่คุยกันแบบลูฟิตกนะมีจริงๆสวรรค์เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องประหลาประลาหรือว่านิยายแต่งขึ้นมาไม่ใช่นะโลกสวรรค์เนี่ยบอกให้เลย โยมเคยไปนรกฝนกฏไหมพระเชาไปมาแล้วฝนกดเนี่ยมันคือกรรมตัวหนึ่งนะที่ว่าฝนตกลงมาเนี่ยเราจะไปหลบลังคาร์ที่ไหนก็แล้วแต่มันจะวิ่งไปหาเราเลยไม่มีที่หลบฝนกดเนี่ยฝนขดฝนกดเนี่ยนะคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วทุกชนิดจำไว้เลยไอ้ฝนกดตัวเนี้ยมันเกิดจากตรงนี้ พูดไม่ดีอยู่เลยเนี่ยพูดแดกดันแทสีสีที่มแทงไปเลยคิดไม่ได้เรื่องในเราเงี้ยตัวเนี้ยมันจะไปนรกฝนกดเขาทํานี้ก็อิจฉาเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันจะฝังไว้ลึกๆอย่าคิดอย่าทามันตกปุ๊บเนี่ยมันก็เด็นมาหาเราเลยไปหลบที่ไหนไม่ได้นี่คือนรกฝนกดไปเที่ยวเทวดาบ้างที่ตรงเจดีเราอะ่ะตรงนั้นเป็นเมืองรับแล่นะ ตรงเจดีแล้ววะแล้วมีพญานาคจริงๆพญานาคคือกุณศีมณฑนนะตรงนั้นเน่ยโยมไปเห็นอะไรก็แล้วแต่อย่าไปกลัวเขาก็มาไหว้พระธาตุเหมือนเราเนี่ยเนี่ยอเขาก็เขาเราก็เราแต่คนขอบกลัวนะ <c oughs> มีทั้งแสงมีทั้งอะไรพร้อมในตรงนั้นเนี่ยตรงเจดีอ่ะตรงนั้นมีเมืองรับแรงเราไปเที่ยวแล้วมีเขาเรียกว่าสวรรค์ชั้นหนึ่งเขาเรียกว่า ใกล้ๆเราอะชั้นไม่ใกล้เราเนี่ยมันอีกชั้นมีสะบกชั้นนะแหมชั้นใกล้ๆเราเนี่ยเราไปเที่ยวบ้านเขามาในของบ้านของเขาเนี่ย <c oughs> ตรงนั้นเนี่ยหนานแน่นมากบ้านเนี่ยเป็นพันหลังโยมเชื่อไหมว่ามันห่างกันเนี่ยพอดีแหมมันห่างไม่มากห่างพอดีหลังใหญ่ไหมมันก็ไม่ใหญ่นะ แต่มันก็อยู่พอดีอ่าพอดีสีสีวิมาลของเขาเนี่ยมันจะเก่าก็ไม่เก่ามันจะใหม่ก็ไม่ใหม่นี่มันก็พอดีแล้วพื้นดินของเขาเนะเรียบเหมือนกระจกเหมือนกระจกตีนเราไปไปโดนเนี่ยเท้าเราเนี่ยมันนุ่มเข้าไปในหัวใจเลยคมอะไรสู้ไม่ได้เราเหยียบลงไปเนี่ยเพอาะตอนที่ไปมันลอยไปมันลอยไปแล้วก็ค่อยๆลง ก็จะห่มผ้าอยู่นี้เนี่ยก็นั่งภาวนาอยู่ในี่นห่มลงมันยังนุ่มอยู่ทุกวันนี้นะความนุ่มของมันเนี่ยนุ่มจริงๆเหมือนกํไ ม, ม่ยี่แต่มันนุ่มมันไม่สากตีนเนี่ยถ้าเหยียบบนอ่าบนบนนุ่นมันก็ยังคล า, ายเท้านะแต่คื้นเข้าเนี่ยไม่มีไม่มีคําว่าคลายเท้าเลยมันนุ่มยังฝังอยู่ทุกวันเนี่ยเสร็จแล้วก็ บ้านเขานะตรงมาแถวไปแถวนะแถวไม่มีคดแล้วมันเงียบไม่มีเด็กไม่มีสัตว์แล้วเดินทะลุถึงกันหมดเดินได้หมดแล้วต้นไม้เขานี่ใหญ่มากเะใหญ่โอใหญ่สมบนใหญ่แล้วตรงใบไม้นี่เขียวแต่ไม่มีใบไม้ร่วงไม่มีร่วงใบไม้นี่ ทีแรกเราก็เอ๊มันวิมานล้างแล้วไงเราว่คิดเงียบสั่งแต่ใจหนึ่งอยากคิดไปสร้างวัดนะเฮ้ยบูบ้านนี้น่าสร้างวัดด้วยเงียบดีจังพอเราคิดว่าอย่างเงี้ยบพบเนี่ยวิมานของเขานะฟไฟติดทุกดวงบ้านละหนึ่งดวงหลังละหนึ่งดวงเออมีคนด้วยไฟของเขาเนี่ยไม่ต้องใช้สายไม่มีสายนะแต่มีดงเทียนติดพร้อมกันหมดเลย เห็นชัดเจนแต่ไม่มีเงาไ ม, ไ ม, ม่ไม่ใช่แสงอาทิตย์ถ้ามีแสงอาทิตย์เนี่ยมันจะมีเงานะ่แต่นี่ไม่มีเงาเราก็ยืนดูอยู่นะแล้วหลังหนึ่งมีสองคนมีผู้หญิงกับผู้ชายาช่ไม่น ใ, นใกล้เราเนี่ยจะมีคู่ได้แต่คู่เขาเนี่ยไม่เหมือนคู่แบบมนุษย์นี่น ะ, ะคู่คนละอย่างกันถยวจะได้ฟังมีเยอะ <laughs> เสร็จแล้วเราก็ยืนดูเขานะเอา มีคนอยู่นี่ว่าเนี่ยหน้าตาหน้าตาของเขานะไม่มีหน้านิ้วคิ้วเขาหมดไม่ต้องตกแต่งไม่ต้องไปเสริมซ้ำอ่างไม่ต้องไปเสริมแต่งอะไรเลยนะหน้าเขาเนี่ยท่งใสตลอดเกิดมายังไม่ค่อยเห็นนะในโลกมนุษย์บอกให้เลยยังไม่เคยเห็นไม่มีหน้านิ้วคิ้วเขาหมดรูปร่างของเขาเนี่ยจะสูงก็ไม่สูงจะต่ําก็ไม่ต่ําจะอ้วนก็ไม่อ้วนจะผอมก็ไม่ผอม มันพอดีนะจะแก่ก็ไม่ใช่เจ๊หนุ่มมันก็ไม่เชิงนะมันไม่มีแก่ไม่มีสาวนะมันพอดีในตรงนั้นเลยนะมันมันไม่มีวัยเจ้าวัยสาวมันก็ไม่ใช่เจ้าวัยแก่ก็ไม่ใช่เนี่ยมันแยกไม่ออกว่ามันมันพอดีมันมีความแบบดูแล้วพอดีกลมกลืนอ่าหน้าตาของเขาเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสแบบไม่ควอมสุขไม่เหนียวเคี้ยวขมวดนั้นไม่มี แ ล, แล้วเสื้อผ้าของเขาเนี่ยมันสวยมากโยงเขาใช้ความคิดคุยกันพอคิดแบบเสื้อผ้าเนี่ยไม่สวยเปลี่ยนทันทีเลยเปลี่ยนเดี๋ยวนั้นเลยเคยเห็นไอ้นัการที่มันเปลี่ยนพรา๊บๆๆเนี่ยังช้ากว่านะจิตเขาคิดจิตคนเราในคิดเร็วนั้นเยอะไอ้ที่หน้ากากเปลี่ยนหนากากอันนี้ช้าช้ากว่าจิตที่พวกเราที่เป็นคิดกันอยู่เนี่ยมันคิดแป๊บๆๆมันคิดไวเสร็จแล้วเขาคิดพื้นเนี่ย เพื่อนวิมานทองเขาเนี่ยเขาคิดว่ามันไม่อี่ยมมันเอี่ยมกบทันทีเขาหิวไงควารู้สึกหิวข้าวหรือรู้สึกหิวหิวหมูหิวไก่มันจะอิ่มตรงนั้นเลยมันอิ่มเดียวนั้นเลยอาหารทิพอาหารทิพของเขาเพื่อจากอะไระที่เห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิมานการแต่งตัวรูปร่างหน้าตาอ่าเสื้อผ้าพรแล้วก็ที่อยู่เทือกเขาเนี่ย เกิดจากบุญที่เราทำไปแล้วตรงนี้ไปรออยู่ข้างหน้ามันมีบทให้พรโยมบทหนึ่งเนี่ยปกติเนี่ยเราก็ให้พรโยมทุกวันนั่นแหละยะทา้า ว, วารีวะหา้าปูราปริปุเรนดิสาขลังแล้วก็จะมีให้ท้ายอายุายโดโระโดทีโรหรือว่าอาทาเิเมกาเซเมแต่นีบทหนึ่งนิทิงนิเทติปุริโสคัมพเลอุตกันติเกอเทกินเจสมุปปนเนอาธายะเมปวิสติ ราชาตวารุตตาจาราโตปริสมันเป็นบทให้พรนยมสวดเป็นนกแก้วนกคุณทองแต่เพิ่งไปเห็นจริงจริงวันนั้นเนี่ยบุญเนี่ยเป็นบุญนิธิที่ฝากไว้แล้วรอไปเบิกในวันข้างหน้าเห็นชัดเจนเลยว่าไปเบิกวันนั้นเนี่ยโจรป้นก็ไม่ได้พระราชามาลิบก็ไม่ได้ตกหน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไม่อ่ะจริงๆเพิ่งเห็นตรงนั้นแต่ไอ้คําพูดที่พูดกันประจําเนี่ยคือพูด ตามเขามาแล้วก็พูดตามครูบาอาจารย์บอกเราพูดตามหนังสือแต่ไปเห็นจริงๆมาตรงนั้นเลยบุญนิธิที่ที่เวก็ทากันบุญนิติบุญนิธิเนี่ยก็คือตัวนี้แหละเราทํากันไว้เนี่ยรอไปเบิกฉุกเฉินเวลาที่เราขัดสนก็คือตรงนั้นเลยแล้วแบ่งให้กันไม่ได้จริงๆที่เขาทำคู่กันเนี่ยคือเขาเขาทำมาด้วยกัน ทำมาเสมอกันเรียกศีลบร ญ, ญาตามีศีลเสมอกันเขาไะเกิดคู่กันอีกหลังละสองคนเท่านั้นหลังหนึ่งนะเพราะฉะนั้น้ชวนกันทำบุญเจอ ท, ทา้ดีอย่าไปทะเลาะ อ, อย่าไปขัดกัน เราจะได้มีคู่ครองไปอีกเอนั่นแหละเคยเหลือกันไปอย่างนี้แล้วไเปเบิกใช้วันข้างหน้าโน้นนี่คือเทวดานางฟ้าเป็นอย่งนี้จริงๆงแล้วอายุเนี่ยมันยืนเกินเราไม่ไปอพระชาวนี่ไม่ไปนะจะไปพระที่พานจริงๆไม่เอาอเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกตกสวรรค์มาก็มางี้อีกถ้าหลงอ่ะถ้าเป็นคนหลงนะเสร็จเลยเราเห็นมาหลายที่แล้วเทวดาเนี่ยเราไม่ไม่เอาก็เดี๋ยวก็ต้องมางนี้อีก ถ้าเกิดเพลอสติไปทําชั่วเขานะโอ้โหยาวเลยถ้าเกิดไปอยู่บนบนสวรรค์นานเกินไปพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาหลายโลกแล้วเรามาหลายครั้งแล้วในโลกเนี้ยเราก็ไม่ทันอีกอะ่ะยุ่งเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่เอาละให้โยมไปเฮอะ <laughs> ไม่เอาเราไม่เอาหงั้นบุญที่เราทําไว้แล้วเนี้ยทําตามกําลังที่เราทําได้โอกาส เรามีมาก็ทาไปวัดครูบาอาจารย์เราก็เยอะเนาะเลี้ยงดูบิดามราดาพ่อแม่เราเนี่ยญาติพี่น้องคนเฒ่าคนแก่อะไรเงี้ยเราก็ดูแลคิดดีทำดีผู้ ด, ดีนั่นเนี่ยเพ่อนฝุงตกทุกและยากมั่งก็ส่งเคาะกัออนไปการให้คนขยืมเงินหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าขอยืมครั้งแรกเนี่ยอย่าหวังได้คืนแล้วตัวเองอย่าเดือดร้อนที่หนึ่งนะครั้งที่สอง ต้องเอาคืนแต่อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนครั้งที่สามถ้าไม่คืนแล้วแล้วไม่มีครั้งที่สามแต่ว่าให้แล้วเนี่ยต้องไม่เดือดร้อนด้วยนะนี่คือกฎกติกาของการให้ยืมแต่ที่ตอนนี้ยมึนหัวมากพระเฌาเนี่ยเขายืมพระก็มีขอพระก็มีเยอะแล้วยมให้ยืมกันแล้วก็ทวงกันคืนไม่ได้ก็โมโหกันกันเยอะ เนี่ยเนี่ยคือเราไม่เข้าใจคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกอย่างนี้ครั้งที่หนึ่งเนี่ยให้ยืมได้แต่เราไม่เดือดร้อนแต่อย่าหวังคืนอย่าหวังคืนนะดุจให้เลยครั้งที่สองคือต้องเอาคืนหวังคืนนะแต่เราไม่เดือดร้อนถ้ายังไม่คืนครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งอะไรอย่างนี้นะครั้งที่สามไม่มี ไม่ให้สาวนี่คือการให้เขายืมกันแต่พวกเรานะโอ้เขาละบากจริงๆอาจารย์แผยแมตาให้หน่อยให้เขาคืนตังให้ฉันอันนี้เยอะจริงๆนะเยอะจริงๆบอกเขาเลยว่ า, วาคำส อ, สอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตประจวันเนี่ยมันจะพอดีเลยแต่เราศึกษาไม่ถึงตรงนั้นเราศึกษาไม่ถึง เรื่องการคลองเรือนได้การครบเพื่อนได้การเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีผู้หญิงจะหาสามีดูผู้ชายยังไงผู้ชายจะดูผู้หญิงจะเป็นวัยรุยา ย, ยัางไงเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วลที่การงานของเราที่มีอยู่เนี้ยควรทํายังไงให้จเจริญรุ่งเรืองพระเจ้าสอนหมดเลยมีการพัฒนามีความเพียรมีความขยันมีการจิตสอดส่องจดจอดูว่าผิดพลาดเพราะอะไรอย่างเงี้ยก็จ่อจ้องกับงานนั้นเนี้ย แต่ที่แน่ๆเราเอาโคมไฟไปติดเสาทีโอทีเยอะนะหน้าวัดน่ะแกวันพูดขอขอทีแล้วเนาะได้ใช้ประโยชน์ในสายไฟตรงหน้าวัดที่เสาทีโอทีอ่ะโคมไฟตรงนั้นไปติดเสาไฟฟ้าเขามาให้ติดเสาไฟฟ้าเขากลัวมันจะช็อตโคมโซลเซลละมันมืดจริงๆอีกตรงหน้าวัดน่ะพอดีทีโทีเข้าไปย้ายเสาไฟใหม่อไปติดเป็นแถวเลยก็เลยสว่างสวย ทางอ่ตํารวจเขาก็บอกอาจารย์อ่าใช้ตรวจมาโชคดีทําไมไฟของอาจารย์สว่างนีบอกเออเราก็ติดช่วยกันคอลองงบประมาณของอบตอไม่ได้กินนะตรงหน้าวัดถ้าไปจะเห็นทีลทีไปก็จะถอดออกเรือยงั้นแต่ให้โซารเซลล์ติดประมาณหกต้นเดี๋ยวติดอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวขออีกต้นหนึ่งติดไปแล้วเดินสายตรงนั้นน่เอทางวัดก็จะย้ายเสาไฟเนี่ยไปฝั่งนู้นแล้ว ตรงตรงหน้าพระเจ้าตากจะมองเห็นชัดจะไม่เกล ก, กะสายไฟแะแต่ของทีโทีนี่ไปย้ายไปก่อนแลย้ายก่อนแล้วก็จะมีเสาตรงนั้นเนี่ยส่งเข้ามาตรงตรงทางสว่างตรงนั้นเนี่ยก็เลยว่าเดี๋ยวขออีต้นหนึ่งพ อ, อยังไม่ได้ติดมีต้นหนึ่งเดี๋ยวกลับไปจะติดมันจะสว่างเดียวเพราะว่ามันไม่พัฒนาเนาะชาวบ้านก็ยังว่า น, นเนี่ยอะไรวัดพอช่วยเหลือสังคมได้ก็ช่วยกันเมื่อปีที่แล้วนี่ก็ทําสะพาน เราเหล็กไปทำสะพานนี่สามมันทุ่งเราที่จะขึ้นไปถึงวัดเนะี่ยมันจะมีสะพานร่องน้ําตอนนีน้ตอนนี้เป็นสะพานเหล็กแล้วแล้วเราก็เอาหิ่นคุกไปลงเยอะนะในสามมันทุ่งเราที่ว่ารถขึ้นได้สะดวกเนี่ยก็จากที่พวกเราโอนเงินไปคนละห้าบาทสิบาทคนละร้อยคนละพันเนี่ยซื้อพ่วงหนึ่งมันมันสี่พันห้าพันหนึ่งอ่ะพวงหนึ่งก็เก้าพันเราก็ซื้อหลายหลายหลายพวงปีที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวไปใช้กัน ใหาทันวาไปใช้ได้เนาะเดี๋ยวให้พรก่อนเนาะได้แ้เกิดยังไงเดี๋ยวค่อยไปคุยกันเดี๋ยวไปทำงานทำกายอะ้รบ้าง ยะถาวารีวาฮาปูราปริปุเรนติสาครังเอวเมวอิโตดินดังเปตานังอุปาปปติอ e ิชิตังปะทิตังตุมหังคิะเมวจะมิชาตุสัเบบริโตสังกาปัจันโดปนารโสยะถามณิเจโอจิระโสยะถาซาภิตโยวิวัชโตซพภโรโควินัสโต มาเตภวตวันรายโยโสคีที่ขายุโกภวะอะพิวายธนศิริสณิจังวุทาปจายโนจตารโอธมาวทานตีอายุวันโนสุขังพระลังภวตุสัพพมังคารังราขันโตสัพพเดวตาสัพภะพุทธานุภาเวนะสทาโสทีพระวันตุเตภวตุสัพ พมังค์รังรักขันตุสับพเดวตาสภะธรรมานุภาเวนะสทาโสทีพระวันตุเตภวตุสับพมังครังรักขันตุสับพเดวตาสภพสังขานุภาเวนะสทาโสตีพระวันตุเตสาธุ